กบัญญายวิชาวินัยนักธรรมเอกหัวนทีหนึ่งโดยพระอาจารย์บุญมีจันทรถูปมะโมรนมะถุรัตนตยัตภาตุจิรังสตังธมโมขอความรอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยและขอพระัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตสถา พรสืบต่อไปก็ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาศึกษาวิชาพระวินัยซึ่งเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกนั่นก็คือการศึกษาวินัยมุกเล่มสามได้ศึกษามา ตั้งแต่นักธรรมชัน้นต ร, ร, รีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นตรีเราก็ได้ศึกษาวินัยมุกเล่มหนึ่งซึ่งว่ากันด้วยเรื่องพุทธบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามและก็ว่าด้วยอภิสมัยจาร์บางส่วนที่เกี่ยวกับธรรมเนียมต่างๆส่วนนักธรรมชั้นโทนั้นเราก็ได้ศึกษา เกี่ยวกับอภิสมาจาร์เป็นส่วนใหญ่เพื่อจะได้ให้รู้จักมารยาในการที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อการประพฤติพรหมจรร์ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรส่วนวินัยมุกเล่มที่สามซึ่งเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปในเรื่องของสังฆกรรมเป็นธรรมเนียมระเบียบ เกี่ยวกับการทำสังครรมเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นถระภูมิซึ่งเป็นภูมิของผู้ใหญ่ที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจะได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแนวทางที่ดีต่อผู้ที่เป็นนวกะและกรมมชิมะนั้นท่านที่กำลังศึกษานักธรรม ชั้นเอกนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของพระวินัยยิ่งยิ่งขึ้นไปพวินัยนักธรรมชั้นเอกนั้นท่านแบ่งเป็นกันไว้ทั้งหมดถึงสิบเอ็ดกันด้วยกันสิบเอ็ดกันกันที่ยี่สิบสามวาด้วยสังฆ ก, กรรมกันที่ยี่สิบสี่วาด้วยสีมา กันที่ยี่สิบห้าวาด้วยสมมุติเจ้าหน้าที่ทาการส่งกันที่ยี่สิบหกวาด้วยกรถินกันที่ยี่สิบเจ็ดวาด้วยบรระชาและอุปสมบทกันที่ยี่สิบแปดวาด้วยวิธีระงับวิวาทาธิกกรกันที่ยี่สิบเก้าวาด้วยวิธีระงับอนุวาทาธิกรกรกันที่สามสิบว่าด้วยวิธีระงับอาปัตตาธิกกรกันที่สามสิบเอ็ดวาด้วยกิจจาธิกกร และวิธีระ ง, งับเรื่องด้วยนิกหะการที่สามสิบสองว่าด้วยสังฆเภทและสังฆสามัคคีกันที่สามสิบสามว่าด้วยปกิณ ก, ก ะ, ะทีะ่ได้กล่าวเริ่มตั้งแต่กันที่ยี่สิบสามนั้นก็เพราะว่าการต้นๆ น, น, นั้นมันเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นอื่นชันะ้นโทรไปถึงกันที่ยี่สิบสองชั้นเอกก็ต่อเป็นกันที่ยี่สิบสาม ตั้งแต่การที่ย3ิบสามจนถึงการที่สามสบเอ็ดนั้นเป็น เ, เรื่องเกี่ยวกับนักธรรมชั้นเอกทั้งสิน้น เ, เพื่อความแม่นยำหรือให้เกิดการจําง่ายาทั้งสิบเอ็ดกันนั้นใช้อักรสรย่อเพื่อท่องจําง่ายๆดังนี้สังสีสมกะบรรวานุปัดกิจเพศป่สังสีสมกะบรนวานุปัดกิดเพศปะ สังสีสมกะบรรวาณุปัดกิจเพศปะาคำว่าสังก็คือสังฆกรรมสีก็คือสีมาสมก็คือสมมุติเจ้าหน้าที่ทำการสงกะก็คือกะถินบันก็คือบรรประชาอุปสมบทวาก็คือวิธีระงับวิวาธาธิก่นนุน ก, ก็คือวิธีระงับอนุวาธาธิก่ อ, อปัดก็ ว่าด้วยวิธีระงรับอาปัตตาทิกรกิจก็คือวิธีว่าด้วยกิจจาทิกรและวิธีระงรับเรื่องด้วยนิกหะเพศก็ว่าด้วยสังฆเพศและสังฆสามัคคีปะก็ว่าด้วยปะกินนกาดนี่เป็นอักษรย่ อ, อที่เราจะต้องสึกต้องท่องจำให้แม่นยำเพราะถ้าเราต้องสังศีสมกบับรรวานุ ป, ปัตกิจเพศปะได้แล้ว ก็จะนึกถึงแต่ละกัรแต่ละการซึ่งเป็นคําเต็มได้โดยไม่ยากนักแต่ทีนี้เราก็มาศึกษสาในการที่ยี่สิบสามซึ่งว่าด้วยสังคกรรมสังกกรรมแปลว่าอะไรสังกกรรมแปลว่ากรรมอันสงจะต้องทาคําว่าสงจะต้องทาในที่นี้ก็หมายถึงว่าสงประชุมกันทากิจที่สงจะพึรทมตั้งแต่สีรูปขึ้นไป ให้กรรมนั้นๆสําเร็จลุร่วงไปนั้นจึงไม้เออจึงแปลว่าสังคาการสังคกรรมจรึงแปลว่ากรรมอันสง์จะต้องทำอามูลเหตุที่จะให้เกิดสังคกรรมนั้นท่านกล่าวไว้สองอย่างคือหนึ่งภิกษุบริษัทมีมากขึ้นอ่สองมีพุทธท่าประสงค์ที่จะให้สงเป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะอ่าทั้งสองอย่างนี้เป็นเป็นมูลเหตุที่ให้เกิดสังคกรรม เดิมจริงๆนั้นอตอนแรกๆซึ่งพระสงฆ์ยังไม่มากอพระพุทธองค์ท่านก็ปกครองด้วยพระองค์เองและก็แม้แต่การอุปสมบทหรือการบวชนั้นก็ทรงใช้วิธีเอหีพิขูปสมัทาบวช ด, ด้วยพระองค์เองแต่พอมีอพระสาวกเกิดขึ้นตามสมควรก็ได้ประทานวิธีให้เป็นวิธีที่ อสาวกทําเองได้แต่เมื่อพระสงฆ์มากขึ้นเป็นลําดับลําดับเห็นว่าการบริหารหมู่คณะนั้นก็จําเป็นมากขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นทั้งอริยชนและก็เป็นทั้งปุถุชนอด้วยเหตุนี้เองพระองค์ก็จึงได้มีความประสงค์คือมีพุทธประสงค์ที่จะให้อสงฆ์บริหารหมู่คณะ มีความเป็นใหญ่ในการบริหารบริหารหมู่คณะก็จึงได้ประทานวิธีการอุปสมบทด้วยยติจตุตกรรมวาจาคือใช้เสียงเป็นส่วนใหญ่คือให้สงเป็นใหญ่ในการที่จะรับบุคคลเข้ามาในพระพุทธศาสนาแม้แต่อื่นๆนเกี่ยวกับการที่จะให้สงตัดสินหรือให้สงในการที่จะทำกิจอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็ให้สงเป็นใหญ่ไม่ให้บุคคลเป็นใหญ่ นั่นก็สังกกรรมก็เกิดมาด้วยมูลเหตุสองประการดังที่กล่าวนี้คำสวดในการทาสังคกรรมที่จะต้องใช้นั้นเมื่อเราว่ากันโดยย่อก็มีอยู่สองประการคำที่เราสวดในการทำสังกกรรมคำที่หนึ่งก็คือยัตติคือคำพระเดียงสงสองอนุสาวนาคือคำประกาศความปรึกษาและตกลงของสง มีเราแยกในสองประเด็นเกี่ยวกับคำสวดสังคกรรมที่ท่านได้บัญญัติหรือท่านได้กล่าวไว้นั้นมีทั้งหมดสีปส่ประเภทด้วยกันที่สี่ประเภทนี้จะต้องอท่องให้ขึ้นใจทีเดียวประเภทที่หนึ่งคืออัปโลกน ก, กรรมคือกรรมอันทาด้วยการบอกกันในที่ประชุมสงไม่ต้องตั้งยติคือคำประเดียงไม่ต้อง สวดอนุสาวนาคือคำประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ์ประเภทที่สองคือยติกรรมยติกรรมก็คือกรรมอันทาด้วยการตั้งยติไม่ต้องมีการสูตดอนุสาวรนาประเภทที 3, ่สามยติทุติยกรรมอันนี้ก็แปลว่ากรรมมีวาจาครบสองทั้งยติ ได้แก่กรรมอันทําด้วยการตั้งยติแล้วก็สูตรอนุสาวนาหนหนึ่งประเภทที่สี่คือยติจตุตรกรรมแปลว่ากรรมมีวาจาครบสี่ทั้งยติได้แก่กรรมที่ทําด้วยการตั้งยติหนหนึ่งแล้วก็สูตรอนุสาวนาอีกสามหนรวมเป็นสี่เรียกว่ายติจตุตรกรรมอต่อไปก็เรามา ศึกษาเป็นลำดับว่าแต่ละกรรมแต่ละกรรมนั้นท่านจำแนกไว้อย่างไรอประเภทแรกคืออัปปโลกน ก, กรรมนั้นท่านจำแนกไวห้าสถานคือมีห้าสถานด้วยกันหนึ่งนิสารณาได้แก่การนาสนะสมณเณรผู้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ออกจากมือเช่นในสิกขาบทที่สิบแห่งสปานวักในปาจิติกันสองโอสารณา ได้แก่การรับสมัครแนวผู้เช่นนั้นที่ประพฤติดีเรียบร้อยแล้วให้เข้าหมู่ตามเดิมได้อีกสามพันถู ก, กรรมได้แก่การบอกขออนุญาตลงผมคนผู้จะบวชอันภิกษุทำเองสี่สมทันได้แก่การประกาศลงสมทัานคือไม่ว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้หัวดื้อถือรั้นว่ายากสอนยาก ห้ากรรมลักษณะอันนี้เช่นอัปโลกอาหารในโรงฉันอัปโลกแจกกีวอนและของอื่นอ่นอทั้งห้าอย่างนี้เป็นอัปโลกกนกรรมซึ่งเราจะต้องท่องหัวข้อใหญ่ๆ ใ, ให้แม่นยำเพื่อสะดวกในการที่เราจ ะ, ะใช้ในการสอบ สนามหลวงและก็เพื่อความแม่นยำในการที่เราจะต้องใช้เมื่อทำสังกรรมแต่ละอย่างนั้นควรจะให้เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรนั้นท่องคําย่อเช่นนัประโลกะนกรรมมีห้าอย่างนิสระาโอสระนาพันธุกรรมพรหมทันธกรรมลักษณะทั้งห้านี้จะต้องท่องโดยย่อให้ขึ้นใจแล้วก็ดูความหมาย เ, าเราก็จะเข้าใจทันที อัปโลกนกรรมเอที่กล่าวนี้เป็นกรรมเล็กน้อยเป็นกรรมทําได้อย่างง่ายๆเอ่คือเมื่อประชุมสงฆ์พอครบองค์ไม่ต้องทําในสีหมาไม่ต้องพานาฉันทะไม่ต้องเข้าในหัตถบาดก็ได้และไม่ต้องเอไม่จําเป็นต้องสวดเพราะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอคือทําทําที่ไหนก็ได้อัปโลกนกรรมจะทําบนกุฏิจะทําบนศสลาหรือจะทําอ่าใต้ร่มไม้ก็ได้ เพียงแต่ประชุมกันให้ครบจำนวนเอ่อเท่านั้นเองคือสี่รูปขึ้นไปแล้วก็ปรึกษาหารือกันโดยไม่ต้องตั้งยติไม่ต้องมีการสวดตกลงกันเช่นรับอภปโลกอาหารในโรงทานอย่างเงี้ยเราก็ทำได้โดยง่ายไม่ต้องสวดอะไรหรือก็อภปโลกแบบแจกกีวร และของอื่นๆบางส่วนที่อัปโลกนั้นก็ทำได้อย่างนี้ก็เป็นกรรมลักษณะซึ่งอยู่ในอัปโลกนักกรรมทำได้ไม่ยากนักแต่มืแต่การนาศนะคือขับไล่สมณเณที่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกล่าวไว้ในสิขาบทที่สิบแห่งสรรพนัมนั้นก็เพียงแต่สงประชุมกันแล้วก็ นาสนะคือให้สมเด็จนั้นสึกไปหรือให้ออกไปเสียจากโมงไม่ให้อยู่ร่วมกับโมงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่ให้ทำเป็นการสงฆ์แต่ธรรมดาลแล้วกูปัญชัยยะหรืออาจารย์ก็มีสิทธิ์ในอันที่จะนาสนะหรืออาจะประนามก็ได้แต่ถ้าเป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นการกล่าวขัด้ันธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นนั้นให้ทาเป็นการสงฆ์คือเป็น สังฆกรรมเรียกว่าอัปโลกนกรรมแต่ว่าเมื่อสัมเณีนั้นได้มีความรู้สึกสำนึกตัวกลับประพุติตนเป็นผู้ดีอันนี้ก็ท่านให้ทําเป็นอัปโลกนกรรมคือเรียกสัมมณีกลับเข้ามาอยู่ตามเดิมได้นั่นก็เป็นโอษรน า, าส่วนที่มีการอนุญาตให้ปลงผมกนก น, นวดผู้ที่จะบวชเข้ามาเนี่ยภิกษุทําเอง ก็ให้ทำเป็นอัปโล ก, กันกรมรมปืนเป็นสังฆกรรมชนิดหนึ่งมอนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาโกนมาแล้วก็ไม่มีอกิจที่เราจะต้องทำการอัปโลกหรือไม่มีกิจที่เราจะต้องเอทำพิธีสังฆกรรมเกี่ยวกับการปลงผมโกนนวนซึ่งเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการทำเป็นสังฆกรรมเกี่ยวกับการปลงผมโกนนวลก็ทากันเองแต่ก็ ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรคือไม่ได้ปรับอัปบัตอะไรเอาไว้แต่ทำตามพระวินัยแล้วก็ให้ทำเป็นสังฆกรรมคือเป็นอัปโลกณกกรรมอนุญาตลงผมโขนโกรวหนดกุระบุรผู้ที่จะเข้ามาบวชที่พิสูจน์เราจะทำเองเอส่วนเรื่องของโรมาทันนั้นก็เกี่ยวกับการประกาศลงโภมาทันเรียกว่าไม่ว่ากล่าวตักเตือนผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ที่หัวดือ้อหัวรันไม่เชื่อฟัง ใครง่ายๆเช่นที่ทำแก่พระอะอะพระฉันนะซึ่งก็หลังอตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันทพรปรินิพานก็ได้ตรัสแก่พระอนตน์ว่าให้ลงพรมทันแก่พระฉันนะเรียกว่าไม่ให้ว่ากล่าวตักเตือนอเมื่อได้ทำเป็นการสงเช่นนี้แล้วก็ทำให้ผู้ที่ ไม่ว่าผู้ที่ไม่ถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่มีใครว่าอะไรก็สำนึกรู้สึกตัวดีขึ้นอันนี้ก็เป็นพรหมทานอันนั้นอัอปปลงกณกรรมตั้งห้านี้ก็พึงศึกษาให้เข้าใจแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติถูกต้องตามสมควรแก่พระวินัยนิยมบรมพุท ธ, ธาอนุญาตทีนี้ <c oughs> ยติกรรมซึ่งเป็นสังฆกรรมประเภทที่สองอันนี้ท่านจาแนกไว้เก้าสถานด้วยกัน คือหนึ่งโอสาราณาได้แก่เรียกอุปสัมพทาเปกขะผู้ไล่เลียงอันตรายิกธรรมแล้วเข้าไปในมูสงสองนิสารนาได้แก่การประกาศถอนพระธรรมกติกผู้ไม่แตกฉานในธรรมในอัตขาดค้านคดีโดยหาหลักฐานไม่ได้ให้ออกเสียจากการทะงับอัติกรสามอุโบสถได้แก่การแสดงปฏิโมกทุกๆถึงเดือนสประวารณา ได้แก่การประวารณา้าสมมุติต่างเรื่องไ่้แก่การสมมุติตนหรือผู้อื่นเป็นผู้สอบถามอันตรายกธรรมต่ออุปสมบทาเปกขะหรือสมมุติตนเป็นผู้เออ่สมมติตนและผู้อื่นเป็นผู้ถามผู้วิสัชนาพระวินยัย 6. ให้คือให้คืนบาทได้จีวรเป็นต้นที่เป็นนิสกีอันภิกสุสละแล้วแก่เจ้าของเดิม 7. ปฏิกหา คือรับประบติอนันพิสูุแสดงในสงฆ์แปดประกาศเลื่อนหมายถึงการประกาศเลื่อนวาวณาออกไปเก้ากรรมลักษณะกรรมลักษณะเช่นได้แก่การประกาศเริ่มต้นในการระงับอติกรด้วยติ น, นะวัฏถารกาศวินยัยอาอยาติกรรมทั้งเก้าสถานนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องท่องคำย่อให้ ให้ขึ้นใจแล้วก็ให้แม่นยำเอาไว้การท่องนั้นใช้คําท่องย่อๆดังนี้โอสรณานิสรณะอุโบสถปวารณาสมุดต่างเรื่องให้คืนบาตรได้จีวรเป็นต้นปฏิกาหะประกาศเลื่อนกรรมลักษณะโอสรณะนิสรณอุโบสถปวารณาสมุดต่างเรื่องให้คืนบาตรได้จีวรเป็นต้นปฏิกาหะประกาศเลื่อนกรรมลักษณะ โอสราณานิสราณาอุโบสถปวารณาสมุติต่างเรื่องให้คืนบาทและจีวรเป็นต้นปฏิกาหาประกาศเลื่อกนกับมลักษณ ะ, ะท่องเป็นทํานองอย่างนี้จะทำให้จำแมน่นและก็จำได้ไวขึ้นเพราะมันเป็นทํานองมันสัมผัสกันไปเรื่อยเอข้อที่หนึ่งนยติกรรมที่ว่าโอสราณนาซึ่งเกี่ยวกับการเรียกประสมปทาเป็ขผู้ไร่เลี่ยงอันตรายยิกระแล้วให้เข้าไปในหมู่สงนั้นอันนี้ เกี่ยวกับการอุปสมบทกรรมผู้ที่เป็นกรรมวาจา ก, ก็จะทําเป็นยติยทําเป็นยติไลเลียงอันตรายกรรมเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปในหมู่ส่วนนิสนานานั้นก็ได้แก่การประกาศถอนถน้้ทํามมันก็คือที่ไม่แตกฉานในอัดในธรรมคัดค้านคดีโดยไม่มีหลักฐานอะไรให้ออกเสียจากการเป็นผู้วิจัยอธิกร แล้วก็ประการที่สามก็คืออุโบสถอุโบสถนี้ทําเป็นยติกรรมคือตั้งยติแล้วก็สวดไม่ได้มีการสวดลูกสาวนาตั้งยติแล้วก็สวดปฏิโมกเลยทีเดียวนั้นอุโบสถนี้ก็เป็นยติกรรมประการที่สี่ปวารณาก็คือการปวารณาการปวารณานี้ก็เป็นยติกรรมเมื่อตั้งยติแล้วก็ปวารณาทันทีนั่นก็เป็นยติกรรมสมมุติต่างเรื่องใน อข้อที่ห้าก็ได้แก่การสมมตุติตอนหรือภิกษุอื่นเป็นผู้สอบถามอันตรายยกธรรมตรงกับสัมปทานเปรคาหรือสมมุติตอนและผู้อื่นเป็นผู้เ อ, อถามหรือผู้วิจารณ์พระวินยัยอันนี้ก็ทําเป็นยติกรรมเหมือนกันแต่ทำเป็นยติกรรมไม่ใช่ว่า อ, อจะไปถามทันทีหรือว่าจะไปสอบถามอันตรายกิกระมทันทีหรือจะถามพระวินยัยอะไรต่างนี่จะถามทันทีแต่จริงก็จะต้องทําเป็นการสมคือเป็นยติกรรมเนี่ย อันนี้ข้อที่หกที่ว่าให้ก็คือให้คืนบาทหรือคจีวรเป็นต้นที่เป็นนิสกียปัจจิตีอันนี้หมายความว่าเมื่อท่าเป็นนิสกีหรือบาทเป็นเป็นนิสกียะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าภิกษุไปสละในถ้ากลางสงคือสละให้แก่สงอย่างนี้เมื่อสละให้แก่สงแล้วสงจะให้คืนบาทหรือคืนจีวร น, นั้นต้องทําเป็นยัตติกรรมเหมือนกันเพราะว่าเขาสละในสงก็สงก็จะต้อง ทำเป็นสังฆกรรมด้วยยันติกามเพื่อจะมอบบาทหรือจีวร น, นั้นให้แก่เจ้าของเดิมนส่วนถ้าหากว่าทําเป็นเป็นส่วนเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นมันเป็นสงเช่นเขาสละในในภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้ถ้าจะให้คืนก็ให้คืนเป็นบุคคลเหมือนกันไม่ต้องให้คืนเป็นสังฆกรรมอันที่ทําให้ที่ให้คืนเป็นสังฆกรรมนั้นก็หมายความว่ า, วาให้คือเขาสละในสงเท่านั้นจึงจะให้คืนเขาด้วยอํานาจสง์คือ ตังยติซะก่อนนะที่ผ้าที่เป็นสกีหรือบาทที่เป็นสกีเจตปรติกหาปฏิกหาก็คือรับอาบัติอันภิกษุแสดงในสงฆ์อันนี้ก็หมายคำ ว, ว่าภิกษุไปแสดงอาบัติในสงฆ์อันนะแสดงในถ้ากลางสงฆ์เมื่อแสดงในถ้ำกลางสงฆ์อย่างนี้สงฆ์จะรับอาการแสดงอาบัตินั้นก็ต้องทําเป็นยติขอมติต่อสงฆ์อีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าไปแสดงทันทีแต่ว่าเราแสดงทุกวันนั้นแสดงต่อหน้าบุคคล คือพิสูตรูปใดรูปหนึ่งนั้นไม่ต้องไม่ต้องอนุมัติจากสงฆ์คือแสดงเป็นบุคคลก็ทําได้แต่เราก็แสดงการปัจจุบันนั้นถ้าทําเป็นการส่งก็จะเป็นการยุ่งยากหรือลําบากขึ้นดังนั้นเปิดโอกาสให้ทําแก่บุคคลได้เราก็ทําแก่บุคคลเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็เราจะต้องศึกษาว่าก็มีระเบียบมีธรรมเนียมที่กล่าวไว้ในพระวินัยอย่างนี้ประการที่แปดประกาศเลื่อนคือหมายถึงว่าประกาศเลื่อนประวัติาออกไป เรื่องนี้เราได้ศึกษา เ, เกี่ยวกับการประวัณาซึ่งกล่าวไว้ในนักธรรมชั้นโทแล้วว่าประวัณานั้นมีการประกาศเลื่อนออกไปอีกได้ปักหนึ่งเดือนหนึ่งได้เมื่อมีเหตุจําเป็นเช่อนอยู่ด้วยการมีความสุขมีความสบายอยากจะอยู่ด้วยการต่อไปอีกก็ประกาศเลื่อนไปอีกปักหนึ่งคือครึ่งเดือนก็ได้หรือว่ามีภิกษุอื่นจะมาร่วมประวัณาด้วยจะคัดค้านจะก่อคดีขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้ประกาศเลื่อนไปอีกหนึ่งปักก็ได้เหมือนกัน แต่ต้องทําเป็นการส่งคือทําเป็นยติกรรมนะในข้อที่แปดนี้แล้วก็ในข้อที่เก้าเกี่ยวกับยติกรรมนี้ก็คือการมลักษณะอันนี้ได้แก่การประกาศเริ่มต้นในการระงับอธิกรณ์ด้วยตินนวัตธารกาวินยัยอ่าตินนวัตธารกะวินัยนี้อก็ได้กล่าวไว้ในตอนกันหลังๆซึ่งว่าด้วยการระงับแบบกลบไว้ด้วยญ้าติน น, นวิแปลว่าหญ้านะกลบไว้ด้วยหญ้า ก็หมายความว่าอาภิกษุสองพวกนั้นเกิดต้องอบัตขึ้นเป็นจานวนมากเมื่อเกิดต้องอบัตจำนวนมากและก็มีทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ให้ระงับอภิกรนี้ด้วยการไม่สาวหาเรื่องราวต่อไปเพียงแต่ว่าให้ประชุมกันในการที่จะระงับอภิกรนี้กลบไว้เสยเรื่องราวต่างๆนั้นก็แล้วกว็แล้วไปไม่กล่าวหาเรื่องอะไรต่อไป แต่ต้องทำเป็นการส่งจะเริ่มต้นในการระงับอติกรหรือการแสดงอับัตด้วยวิธีการอย่างนี้ก็จะต้องทำเป็นยัตติกรรมเหมือนกันนั้นในยัตติกรรมเก้าสถานี้คำย่อที่ได้กล่าวแล้วนั้นก็ขอให้เพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกนั้นได้ท่องให้คล่องขึ้นใจและก็จำความหมายแต่ละอย่างละอย่างไวพอสมควร แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเป็นลำดับแล้วก็จะค่อยสว่างากระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลำดับก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปที น, นี้เราก็มาว่าถึงยันติทุติยกรรมยันติทุติยกรรมนั้นท่านแบ่งประเภทเป็นเจดสถานด้วยกันนะแบ่งเป็นเจ็ดสถานคือหนึ่งนิสสารนานิสสารนาคือความบาทได้แก่การประนามครหัผู้ประพฤต ใส่ร้ายแก่พระศาสนาสองโอสารน า, า, าคือหลายบาทได้แก่การประกาศาระ ง, งับประนามครหัตผู้ประพฤติให้ร้ายแก่พระศาสนาผู้รู้สึกตนดีกลับประพฤติตนดีเรียบร้อยแล้วสามสมมติต่างเรื่องสมมติต่างเรื่องก็ได้แก่การสมมติสีมาและสมมติให้ภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ทําการส่งเป็นต้นสีให้ต่างอย่าง ให้ต่างอย่างก็ได้แก่การให้ผ้ากถินและให้จีวรของภิกษุผู้มรณะแก่กิลานุปถากเป็นต้นห้าประกาศถอนหรือเลิอกอนิสงส์กรถินเป็นต้นหกแสดงที่สร้างคือแสดงที่แสดงที่สร้างกุฏิให้แก่ภิกษุเจ็ดกรรมลักษณะได้แก่ยติทุติยกรรมที่สวดในลำดับ ในลำดับต่อไปในการระงับอติกรด้วยตินวัฏฐาะกะวิธีทั้งเจ็ดสถานในยะติจติยกรรมนี้ก็ให้ท่องให้ขึ้นใจเช่นเดียวกันคือท่องอักศรย่อให้ขึ้นใจแล้วก็ดูความหมายต่อก็ท่องอย่างนี้นิสรนาโอสรนาสมตุตต่างเรื่องให้ต่างอย่างประกาศถอนสแสดงที่สร้างกรรมลักษณะ นิสรนาโอสรนาโทษต่างเรื่องให้ต่างอย่างประกาศถอนแสดงที่สร้างกรรมลักษณะนิสรนาโอสรนาสมุติต่างเรื่องให้ต่างอย่างประกาศถอนแสดงที่สร้างกรรมลักษณะเมื่อเราท่องคำย่อ น, นี้ขึ้นใจแล้วต่อไปเราก็ดูความหมายของแต่ละอย่างละอย่างเช่นนิสรนาข้อที่หนึ่งคือความบาด ความบาดนั้นอได้กล่าวรายละเอียดไว้ในการหลังๆก็กล่าวในที่นี้ว่าความบาดในที่นี้ก็คือการไม่ให้รับยธยทานหรือรับนิมน เ, เกี่ยวกับผู้ที่เป็นคันหันนั้นใส่ร้ายแก่อนาาษานาสนาเรียกว่าประนามคัหันผู้ที่ใส่ร้ายแก่อรภาษาศาสนากล่าวติเตียนพระพุทธประธรรมพระสงฆ์หรือใส่ร้ายพิสุ ด้วยประการใดประการหนึ่งที่เป็นไปในทางเสียหายก็ทรงอนุญาตให้ทำการคว่มบาตรแต่ต้องทำเป็นยติทุติยกรรมตั้งยติห น, หนึ่งและก็สูตรอนุสาวนาอีก ห, น, หนึ่งไม่ให้พิสูจน์ต่างหลายรับนิมนต์หรือรับทัยาทานต่างๆอย่างนี้ก็เรียก ว, ว่าคว่มบาตรนะก็เคยมีเช่นทำแก่เจ้าวัฒนลัทธวี ซึ่งก็ได้กล่าวร้ายแก่พระาศาสนาด้วยประการต่างๆเป็นเป็นคนแรกเนี่ส่วนประการที่สองที่ว่าโอสรนาือ้งายบาทได้แก่การประกาศระงับการประนามขณหัตผู้ที่ให้ร้ายพระาศาสนานั่นแหละแต่กลับประพฤติตนเป็นคนดีแล้วก็หายบาทอันนี้พิธีทรรมก็เราไปศึกษาในกันหลังซึ่งเราจะต้องศึกษาต่อไปจนถึงไหาบาเนี่ยคือว่า ต่อไปก็เห็นว่าพระพฤดีปฏิบัติชอบแล้วไม่มีทิฏฐิมานะหรือไม่กล่าวร้ายแก่พระภิกษุสงฆ์ตลอดถึงพระตนตรัยแล้วก็ให้ทำเป็นการส่งเหมือนกันเป็นยติทุติยกรรมเหมือนกันเมื่อความบาทด้วยยติทุติยกรรมงายบาทก็ต้องทำด้วยยติทุติยกรรมเป็นการเปริโดโอกาสใหเ้เขาได้ทำบุญหรือถวายทานแกภิกษุได้ต่อไปนี่อันนี้ สามที่ว่าสมมติต่างเรื่องสมมติต่างเรื่องได้แก่สมมุติสีมาหรือสมมติเจานที่ที่ทำการสงฆ์นี่ก็ต้องทำโดยยติทุติยกรรมสมมุติสีมาซึ่งในปัจจุบันก็นิยมสมมุติกันเป็นทั่วไปก็ส่วนใหญ่เลยที่มีวัดก็มักจะมีการสมมุติสีมากันขึ้นมาแต่ว่าสมมุติสีมานั้นทำด้วยสังฆกรรมอะไรสมมติสมมาสีมานี้ทำด้วย ยติธุติยกรรมคือตั้งยติ ห, หนึ่งและก็ส่วนอนุเสาวนาอีก ห, หนึ่งดังนั้นการสมมุติสมาก็เป็นยติทุติยกรรมการสมมุติภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสงนั้นก็ทำด้วยยติทุติยกรรมเหมือนกันเรียกว่าเมื่อสงได้อนุมัติภิกษุรูปนี้ทำหน้าที่จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการแจกจีวรรับจีวร อหรือว่าหน้าที่เกี่ยวกับอาหารามีการรับอาหารแจกอาหารอะไรต่างๆเหล่ า, า, านี้ก็ให้ทําเป็นการสงเมื่อสงอนุมัติแล้วผู้ใดผู้หนึ่งที่จะมีปฏิกิริยาต่อผู้ที่สงอนุมัตินั้นก็เป็นการไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะว่าสงอนุมัติแต่ว่าปัจจุบันเราส่วนใหญ่ก็มักจะอาศัยอํานาจของเจ้าวาดเจ้าวาแต่งตั้งเอาเอง แต่ถ้าว่าตามพระวินัยก็คือให้สงเป็นผู้ทําการสมมุติขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาโดยอำนาจสงซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนสาธมิทุกๆรูปทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนเทิน สวัสดีครับเพื่อนสาธมิสุขรูปนี้เราก็มาศึกษาลำดวินัยต่ อ, อซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงสังฆกรรมที่เกี่ยวกับญติทุติยกรรมก็ทบทวนก่อนที่เราจะได้ศึกษาเป็นลาดับไปญติทุติยกรรมนั้นมีทั้งหมดเก็ดสถานด้วยกันคือหนึ่งนิสนาคือความบาปได้แก่ ก, การประนามครหัต ผู้ประพฤติใส่ร้ายแก่พระศาสนาสองโอษรณาไงาบาทได้แก่การประกาศระงับประนามขรหัตผู้เออ่ประพฤติให้ร้ายแก่พระศาสนาผู้รู้สึกตนดีแล้วหรือกลับประพฤติตนเป็นผู้เรียบร้อยแล้วอา 3, สามสมุติถังเรื่องได้แก่การสมมติซีมาและก็ส ม, มุติให้พิสุอน์เป็นเจ้าหน้าที่ทําการส่งเป็นต้นสี่ให้ดังอย่างได้แก่ให้ผ้ากระถินและให้จีวร ของภิษุผู้มรณะแก่กิลานอุปถาคเป็นต้นห้าประกาศถอนคือเลิกอนิสงส์ขินเป็นต้นหกแสดงที่สร้างคือแสดงที่ให้ภิกสุสร้างกุติเจกรรมลักษณะได้แก่กายาติทุติยกรรมที่สวรในลำดับแห่งการระงับอติกรด้วยศินนวัตถารกาวิธีคราวที่แล้วเราก็มาพูดถึงพูดมาถึงข้อที่สามคือสมมติต่างเรื่อง ได้แก่การสมมุติทีมาและก็สมมุติภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่ทําการสง่งนี้ข้อที่สี่ที่ว่าให้ต่างอย่างนั้นคือให้ผ้ากระถิ่นและให้จีวรแก่ภิกษุผู้มรณะอ่าแก่ภิกษุของภิกษุผู้มรณะให้แก่อกีฬานุปัทานอันนี้ก็ทําเป็นการส่งเหมือนกันคือเป็นยัติทุติยกรรมการให้ผ้ากระถิ่นนี้ เราตั้งยติห น, หนึ่งแล้วก็สูตรอนุสาวนาอีกห น, หนึ่งในการให้ผ้ากถินอาการให้ผ้ากถินนี้ก็เป็นที่รู้จาักกาันเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะว่าเรามีการทอดกรถินกันทุกปีหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนซึ่งเป็นการจีวรที่พระพุทธองค์ท่านทรงอนุญาตให้ภิกษุรับกถินได้ นั้นตั้งแต่เร็มค่ำหนึ่งเดือนสิเ็ดไปถึงกลางเดือนสิบสองจึงเป็นการที่มีการทอดกระถิ่นนั้นการทอดกรถินนั้นพระสงฆ์เมื่อรับกรถินแล้วก็ต้องทําเป็นการสงฆ์คือสงฆ์จะมอบให้พิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ครองกรถินก็ทําเป็นการสงฆ์คือทําเป็นยติทุติยกรรมแต่ตอนก่อนที่ถึงยติทุติยกรรมนั้นทําเป็นอปโลกน ก, กรรมก่อนคือว่า อภโรป บ, บริหารหรือบริวารของกรถินนั้นและก็เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นองค์ครองกรถินส่วนการให้กรถินที่แท้จริงนั้นต้องทําเป็นยักติตุติตกรรมคือทําเป็นการตั้งยัตติคํำพเดียงและก็อนุสาวนาคือประกาศความปรึกษาหารือของสงว่าควรจะให้แก่ผู้ใดแน่นอนอย่างนั้นนี่ก็ทําเป็นการสง แม้แต่การให้จีวรของพิสูจน์ที่มรณะหมายถึงพิสูุที่ได้ถึงแก่กรรมก็จะให้แก่ผู้ที่อุปถาก็ต้องทำเป็นการสงผู้ที่อุปถากนั้นอาจจะเป็นพิสูก็ได้หรือสมณเณรก็ได้จะให้แก่พิสูจน์เหล่านั้นก็ทำเป็นยติตุติยกรรมและมอบให้ผู้ที่อุปถากภพิสูุที่มรณภาพนั้นไป ใครจะไปถือเอาโดยพันะการนั้นเป็นการไม่ถูกต้องและก็การเจะให้แก่ภิกษุใดใครเป็นผู้ควรที่จะได้รับิบาทก็ดีหรือจีวรก็ดีของภิกษุที่มรณภาพนั้นตามพระวิ น, นัยนั้นท่านกล่าวว่าควรให้แก่ภิกษุที่อุปถาภิกษุไขหรือสามเณรที่ประสานอุปถาภิกษุไขนั้นต้องทําเป็นการส่งในข้อนี้ อห้าประกาศถอนประกาศถอนก็คือเลิอกอานิสงส์กะถิน่นการเลิอกอานิสงส์กะถิ่นนั้นก็ทำเป็นยักติทุติย ก, กรรมเรื่องของการเลิอกอานิสงส์กะถินนั้น <c oughs> ก็ไม่มีนิยมการทำเพราะว่าเมื่อเราได้รับกะถิ่นก็ต้องการอานิสงส์อานิสงส์ก็ต้องการให้อยู่ได้นานตามพระวินัยถ้าจะไปเลิอกอานิสงส์กะถิ่นโดยที่ไม่ต้องการอานิสงส์นั้นก็เห็นถ้าจะไม่ค่อยมี แต่ว่าในพระวินัยได้กล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการเลิกเอาไว้เป็นยันติทุติกรรมนั้นเราก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> อหกแสดงที่สร้างคําว่าแสดงที่สร้างในที่นี้ก็คือแสดงที่สร้างกุฏิให้แก่ฟิกษุถ้าฟิกสุจะไปสร้างกุฏิอันเป็นที่อยู่อาศัยโดยลําพังเองนั้นไม่ได้แต่ เ, เพราะว่ามีในสิกขาบทที่สิกขาบทที่หกสิกขาบทที่เจ็ดแห่ง อสิขาบทที่หกแห่งสังขารทิเศตซึ่งได้กล่าวถึงอ่ว่าภิกษุจะสร้างกุฏิที่ต้องก่อหรือโบกหรือปูนหรือดินนั้นต้องทําให้ได้ประมาณคือยาวสิบสองคืบกว้างเจ็ดคืบพระสุคตวัดในรวมในต้องทําให้ได้ประมาณอย่างนี้และต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนทําให้สง์แสดงที่ให้ก่อนก็ดีทําให้เกินประมาณก็ดีก็เป็นสังขาธทิเศตและก็สิกขาบทเอถัดต่อมาก็คือ อที่จะสร้างคืนนั้นถ้ามีทยกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้แต่ก็ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อนเหมือนกันอันนี้จะเห็นว่าการที่จ ะ, สะแสดงสงที่จ ะ, สะแสดงให้แก่ฟิสุจะสร้างกุฏิตรงไห น, นอย่างไรนั้นก็ต้องทําเป็นยติทุติยกรรมนะไม่ใช่ว่าอาจะสร้างตรงไหนสร้างได้โดยพละการหรือได้โดยง่ายก็ให้ทําเป็นสังฆกรรมเหมือนกันเจ็ดกรรมลักษณะ ได้แก่ยติทุติยกรรมที่สวดในลำดับไปในการระงับอติกรด้วยตินนวัฏารกาวิธีข้ อ, อ น, นี้ได้กล่าวแล้วในยติกามคือเริ่มต้นในการระงับอติกรด้วยตินนวัฏารกาวิธีนั้นเริ่มต้นด้วยยัติกามคือหมายความว่าอสองสองฝ่ายที่เกิดการทะเลาะหรือการต้องอบัตมากจํานวนดังนั้น ประชุมกันแล้วให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งยติของฝ่ายตนเสีก่อนเมื่อตั้งยติของฝ่ายตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทําเป็นยติทุติยกรรมคือตั้งยติทศวนอนุสาวนาอีกคนหนึ่งเป็นการแสดงอวับทแทนฝ่ายของตนของตนนั้นการระงับอธิกรด้วยตินนะวัตรสารค่าวิธีที่จะให้สําเร็จล่วงไปนั้นอต้องทําเป็นขั้นตอนยติก่อนแล้วก็มาตั้งมาทําเป็นยติทุติยกรรมจึงจะ สำเร็จได้หรือว่าบริสุทธิ์ได้ในการทำปติกชนิชนี้นี่ก็เป็นยติสติกกรรมซึ่งก็ท่านทั้งหลายก็ไปทบทวนดูอีกในหลักสูตรของเราเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปก็ยติจตุตรกรรมยติจตุตกกรรมนั้นท่านก็แบ่งไว้เจ็ดสถานเหมือนกัน คือหนึ่งนิสสาราณาได้แก่สงทํากรรมหกอย่างมีตัดจนิยกรรมเป็นต้นลงโทษแก่ภิกษุผู้ประพฤติมิชอบสองโอสาราณาได้แก่สงยกโทษอระงับกรรมแก่ภิกษุผู้เช่นนั้นที่กลับประพฤติตนดีแล้วสามสมมติได้แก่การสมมุติภิกษุเป็นผู้ให้โอวาาแก่นางภิกษุณีี่ให ได้แก่การให้ปริวาทได้มานัดแก่ภิกษุผู้ต้องอบัตสังฆาติเสษห้านิกหะได้แก่การปรับภิกษุผู้ประพฤติปริวาทหรือมานัดอยู่ต้องอบัตสังฆาติเษสษซ้ําเข้าอีกให้กลับตั้งต้นประพฤติใหม่หกสมนุภาสนาได้แก่การสวดห้ามภิกษุไม่ให้หัวดื้อถือรันในอันที่ไม่ชอบทำเช่นกล่าวไว้ในสังฆาติเศษนี้ เจ็ดกรมลักษณะกรมลักษณะได้แก่การอุปสมบทและก็การให้อภารย์ยาติจตุตกรรมทั้งเจ็ดสถานนี้ก็ให้เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายท่องอเป็นคำย่อให้แม่นและก็ให้ขึ้นใจการท่องออคำย่อนั้นอย่างนี้คือนิสตระาโอสตระาสมมูรให้นิฆะนุปาสนากรรมลักษณะ นิสระนาโอชะณาสมมตินิกะนิกะสำลุภาสนากรรมลักษณะและท่องเป็นคําย่ออย่างนี้เมื่อเราท่องคําย่อขึ้นใจได้แล้วก็ต่อไปก็ทําความเข้าใจาดูความหมายอ่านความหมายทบทวนความหมายให้เข้าใจและก็จะทําให้การค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสังขกรรมเหล่านีา้เข้าใจง่ายขึ้น ข้อหนึ่งที่ว่านิสรานาได้แก่สงทากรรมหกอย่างมีตัดจนิยกรรมเป็นต้นนั้นก็หมายความว่ า, าเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นไปทำไม่ดีไม่งามละเมิดที่พระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติไว้เช่นในเรื่องของตัดจนิยกรรมเนี่ยการทาความบาดหมาง ก, การก่ออัติกรณ์ในสงขึ้นมาต่างๆนี้ขึ้นมา พภิสูเช่นนี้ให้สง ร, รมกรรมตำหนิโทษแก่ภิสูนั้นนะหรือว่าภิสูจน์รณทุสรายตะกูลอ่ด้วยการาประพฤติที่เป็นไปในทางเสียหายนะเป็นการทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในคณะทรงขึ้ึมาอย่างนี้จะทำภิโทษ ด, ด้วยการาด้วยการถอดยศคือให้กลับถือนิสัยใหม่อย่างนี้ก็ทำด้วย นิสารนานี้เหมือนกันนันนิสน า, า, าคือสงฆ์ทกรรมหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พิสูผูมีความประพฤติมิชอบนะที น, นี้โอสันนาข้อสองได้แก่สงยกโทษคำว่ายกโทษก็คือว่าพิกษูที่ถูกทํากรรมหกอย่างนั้นได้กลับประพฤติตนรู้สึกตัวในทางที่จะกลับตนเป็นคนดีหรือเป็นผู้ดีต่อเมื่อเห็นว่าประพฤติตนดี ยอมในการที่จะประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็สงก็ให้ระงรับโทษนั้นคือให้ระงรับโทษแก่ภิกษุนั้นที่กลับประพฤติตนเป็นผู้ดีแล้วนะไม่มีโทษต่อไปจะเรียกว่าโอษณะสามสมมุติคําว่าสมมุติได้แก่การสมมุติภิกษุเป็นผู้ให้โอวาาแก่ภิกษุณีซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีภิกษุณี ด้นข้อนี้ก็จึงอไม่มีความจําเป็นอะไรเท่าไหรนักแต่เราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจสี่ให้ได้กดแ ก, ก่การให้ปริวาทหรือมานัตแก่ภิกษุผู้ต้องบัติการ์ิเศตการให้ปริวาทหรือให้มาัตแก่ภิกษุผู้ต้องบัตรสงฆ์ิเศตนั้นก็ทําเป็นยติเจตุตกรรมเหมือนกั น, น, นห้านิหาคําว่านิห า, าได้แก่การปรับภิกษุผู้ประพฤติปริวาทหรือมานัตอยู่ ต้องอาบัตสังฆาฏิเศษซ้ำเข้าอีกอันนี้ให้กลับตั้งต้นประพฤติใหม่เรียกว่ามูลยบปฏิการนานั้นในขณะที่กําลังประพฤติพุทธานุวิธีจะตอนอยู่ปริวาติก็ดีหรือตอนประภูอยู่ปริวาตแล้วก็เป็นมานัตตาระหะปิคุก็ดีหรือกําลังประพฤติมนัตเป็นมานัตตะจาริกาปิสุก็ดีหรือสองฆ์ยังไม่ผ่านเพียงใดไปต้องอาบัตสังฆาฏิเศษซ้ำเข้าอีกอย่างนี้ก็จะประพฤ ต, ติต่อไปไม่ได้แล้วดั้นสงฆ์ก็สมควรในการที่จะ ลงโทษซ้ำอีกคือให้ตั้งต้นประพฤติใหม่ดังอย่างนี้ก็ทำเป็นยติเจตุทกกรรมเหมือนกันหกสัมมนุภาสนาสัมมนุภาสนานั้นได้แก่การสวรดห้ามภิกษุไม่ให้หัวดื้อถือรันในการอันนิชอบเช่นกล่าวไว้ในสิกขาบทที่สิบสองแห่งสังขาติเสภภิกษุที่เป็นหัวดือ้อใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เนย สงสวดกรรมเพื่อให้ละเมื่อไม่ละนั่นแหละต้องบบัดทางกายเศษอันนี้ก็เป็นการสวดห้ามที่สูงเช่นนั้นไม่ให้มีการประพฤติไปในทางเสียหายก็ใช้เป็นการสวดญาติจตุตกรรมเหมือนกันในการอห้ามที่สูงเหล่านั้นที่ประพฤติเอดืด้อๆถือรันอย่างนั้นเจ็ดกรรมลักษณะได้แ ก, กดด่การอุปสมบทได้ก็อภานการอุปสมบท หรือการให้อภัยแก่ิุผู้บรรพุท ธ, ธานุวิธีครบตามกำหนด แ, แล้วนั้นก็ทําเป็นยติเจตุตกรรมเหมือนกันฉะนั้นทั้งเจ็ดสถานนี้นะเป็นยัติเจตุตกรรมกรรมที่จะต้องทําด้วยการตั้งยติ ห, หนึ่งและสวดลูกเสลหนาอีกสามหนรวมเป็นสี่ทั้งยติก็เป็นสังฆกรรมอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจสังฆกรรมทั้งสี่นี้เอ่อ ยัญติกรรมยัญติทุติยกรรมยัญติจตุตกรรมสามอย่างนั้นต้องทําในสีมาเพราะเป็นเรื่องใหญ่ต้องอต้องสวดนะเป็นเรื่องใหญ่ถึงต้องสวดส่วนอัปโลกนกรรมแม้ทํานอกสีมาก็ได้เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ถึงต้องสวดนั้นในสังฆกรรมทั้งสี่นี้จะถามว่า สังกกรรมตริตไหนทำในสีมาก็ได้นอกสีมาก็ได้อันเราก็ตอบได้ว่าอัปโลกนักกรรมอย่างเดียวทำในสีมาหรือนอกสีมาก็ได้นะทำไมจึงตอบเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องสวดนะไม่จาเป็นต้องสวดส่วนยติกรรมยติทุติยกรรมหรือยติจตุตกรรมนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องสวดนั้นต้องทำในสีมาอย่างเดียวนี่ ทีนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับจำนวนสงฆ์ที่ทำสังฆกรรมนั้นท่านจัดไว้อย่างไรจำนวนสงฆ์ผู้ทาสังฆกรรมทั้งสี่ประเภทนั้นท่านจัดไว้ดังนี้หนึ่งจตุวักสงมีจำนวนสี่รูปนะจตุวักแปลว่าพวกสี่มีจำนวนสี่รูปทำสังฆกรรมทั้งสี่ประเภทได้ทุกอย่างเว้นแต่ปวารณาให้ผ้ากถิน อุปสมบทและอาภารสองสี่รูปซึ่งเรียกว่าจัตวาคนั้นทำสังฆกรรมทั้งสี่ประเภทได้ทุกอย่างเว้นปวารณาให้ภ้ากรถิ่นอุปสมบทและอาภารสองปัญจวัคปัญจวัคสองมีจำนวนห้ารูปทำปวารณาให้ภ้ากระถินและอุปสมบทกรรมในปัจจนชนบทได้ เพิ่มเข้ามาอีกนะห้ารูปนี้จะทําการให้ผ้ากถินหรืออุปสมบทกรรมในปัจจันชนบทนั้นทําได้พภาวณาก็ต้องห้ารูปนะที่ทําเป็นสังฆะภาวนาเพราะว่าแยกรูปหนึ่งมาเป็นผู้ประภาวนาอีกสี่รูปก็เป็นสงให้ผ้ากระถินก็เช่นเดียวกันคือรูปหนึ่งเป็นผู้รับกถินแล้วก็สี่รูปที่เหลือก็เป็นสงนะอุปสมบทในปัจจันชนบทก็เหมือนกัน รูปหนึ่งเป็นอุปชัยยะและสี่รูปก็เป็นสงฉะนั้นจึงต้องมีห้ารูปในการทำสังกรรมประเภทนี้ประเภทสามก็คือทัาวัตรทัาวัตรในแปลว่าพวกสิบสงมีจำนวนสิบรูปนั้นทำกรรมคืออุปสมบทกันอุปสมบทกรรมในมัชม ช, มดดมชิมะชนบทได้ในมัชชิมะชนบทก็คือในที่เจริญ นะต้องมีสงตั้งแต่สี่รูปตั้งแต่สิบรูปขึ้นไปในการทําการอุปสมบทสีวีสติวัควิสติวัคแปลว่าพวกยนะี่สิบคือสงมีจำนวนยี่สิบรูปนี่ทาอภานกรรมได้ทำอภานกรรมได้นะรรไดพูดง่ายๆว่ายี่สิบรูปนำ้ำนั้นทําสังคก ร, รทุกอย่างไดนะ้ทุกอย่างได้ นั้นกรรมที่สงมีจํานวนน้อยทําได้สงมีจํานวนมากกว่านั้นย่อมทําได้โดยแท้คือสามารถที่จะทําสังกกรรมน้อยใหญ่ได้ทุกอย่างทีเดียวถ้ายี่สิบรูปขึ้นไปนี่เป็นอที่จํานวนสงที่ท่านกําหนดเอาไว้ในการทําสังกกรรมต่างๆและถ้าเกี่ยวกับบุคคลแล้วจะต้องไม่นับบุคคลที่ถูกทํากรรมด้วยเป็นองค์ตามกําหนดนะเช่น สี่รูปอย่างนี้ถ้าเป็นการให้ปริวัติอย่างนี้จะนับวิกษุผู้เข้าเข้าที่เข้าขอปริวาติเป็นองค์ที่สี่ไม่ได้จะต้องนับสงทั้งหมดเป็นสี่องค์อย่างนี้จึงจะใช้ได้ยี่สิบรูปอย่างนี้ก็จะนับวิกษุผู้เข้าขออภารเป็นองค์ที่ยี่สิบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคือสงทั้งหมดที่ ทำสังฆกรรมนั้นต้องยี่สิบรูปส่วนพิสูุผู้ถูกทากรรมอีกหนึ่งรูปถ้าเกี่ยวกับการทำอภรนกรรมก็รวมทั้งหมดทั้งพิกษุสงฆ์ที่ทำกรรมและก็พิสูุที่ถูกทำกรรมก็รวมยี่สบเอ็ดรูปด้วยกันนี่ก็ปพ่งเข้าใจอย่างนี้ทีนี้จำนวนสงอ์ผู้ทำกรรมนั้นๆเนี่ยในบาลีท่านเรียกว่าผู้เข้ากรรม ภิสูุผู้ควรเข้ากรรมได้นั้นต้องประกอบด้วยองคสาอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายฟึงจดจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวคือผู้ที่จะเข้ากรรมได้ต้องประกอบด้วยองคสาคือหนึ่งต้องเป็นภิสูุปกติไม่ถูกสงลงอุเคปริยกรรมสองมีสังวาสเสมอด้วยสงสามเป็นสมาณะสังวาสซึ่งกันและกันเนี่ยสามประเภทนี้จะต้องท่องให้ขึ้นใจนะ ผู้พิสูจนที่จะเข้ากรรมคือเข้าร่วมทําสังฆกรรมได้นั้นต้องหนึ่งเป็นผู้ก็ เ, เป็นพิสูจนปกติไม่ถูกสงฆ์โอกเก็บเรียกรรมสองมีสังวาสเสมอโดยทรงสามเป็นสมานะสังวาสของการละกานเนีน่ยต่อไปก็มาว่ากันโดยกรรมมรรคบัติกรรมวิรบัตินั้นก็คือกรรมที่ทําแล้วใช้ไม่ได้ทําแล้วไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องก็ใช้ไม่ได้เรียกวกรรมวิรบัติ อกรรมที่ท่านวางระเบียบไว้ให้ทําอย่างไรต้องทําให้ถูกระเบียบตามพระพุทธบัญญัติจึงจะชื่อว่าถูกฐานไม่วิบัติแต่ถ้าหากว่าทําผิดระเบียบกรรมนั้นย่อมวิบัติใช้ไม่ได้แม้ทําแล้วก็ไม่เป็นธรรากรรมย่อมวิบัติเนียทนี้กรรมวิบัติโดยเหตุสี่ประการท่านกล่าวว่ากรรมย่อมวิบัติโดยเหตุสี่ประการคือหนึ่ง วิบัตโดยวัตถุเช่นอุปสมบทคนมีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีอุปสมบทคนที่เป็นอภิภพบุคคลสมมุติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับสีมาอื่นหรือทำผิดระเบียบเช่นกรรมจะพึงทาในที่พร้อมหน้าทาในที่รับหลังเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิบัตโดยวัตถุสองวิบัตโดยสีมาเพราะเหตุ ที่วิบัติโดยสีมานั้นท่านกล่าวว่าเช่นสมมุติสีมาใหญ่เกินไปคือเกินกว่าสามโยชน์สมมุติสีมาเล็กเกินไปคือไม่พอจุฟิกสูยี่สิบ็ดรูปสมมุติสีมามีนิมิตขาดสมมุติสีมามีฉายาเป็นนิมิตสมมุติสีมาไม่มีนิมิตหรืออาพัตตสีมาที่ผิดลักษณะแห่งพุทธานุญาตนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดสีมาวิบัติ ใช้ไม่ได้เพราะเหตุเกี่ยวกับสีหมาไม่ถูกต้องสวิบัติโดยปริศาวิบัติโดยปริศานั้นเช่นประชุมสง์ไม่ครบองค์กําหนดตามหน้าที่แห่งสังฆกรรมนั้นๆหรือสงครบกําหนดแล้วแต่ไม่นําฉันทะของภิกษุอื่นที่ควรนํามาซึ่งอยู่ในสีหมานั้นหรือมีผู้คัดค้านกรรมอันสงธรรมนั้น ก็เป็นเหตุให้เกิดปริศาวิบัติคือวิบัติโดยโดยองค์ประชุมนะการประชุมจะต้องให้ได้องค์ประชุมเช่นทำโสม ต, ต้องมีสี่รูปขึ้นไปปวารณาต้องห้าอัปภาสังฆพวารณาต้องห้ารูปขึ้นไปอย่างนี้นั้นต้องให้ครบแต่ถ้าหากว่าไม่ครบเช่นสี่รูปทำสังฆโบสถอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือว่าให้ผ้ากระถิอ่อไม่ครบ ห้าอย่างนี้ก็เป็นวิบัติใช้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่ า, าไม่ถูกต้องประชุมไม่ถูกต้องตามพระวินัยที่ได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นวิบัติด้วยการประชุมเทียวกับปริศาวิบัติสี่วิบัติโดยกรรมวาจากรรมวาจานั้นท่านแสดงว่าที่จะให้วิบัตินั้นมีหลายอย่าง เ, าเช่นไม่ระบุวัตถุ นในการสวดไม่ระบุวัตถุไม่ระบุวัตถุ ก, ก็คือเช่นไม่ระบุคนผู้อุปสมบทในการอุปสมบทไม่ระบุของเช่นผ้ากรถิในในการให้ผ้ากรถินไม่ระบุการที่ปราบรเช่นการสมมุติสีม า, าไม่ระบุสงฆ์ที่เข้าประชมุมไม่ระบุบุคคลเช่นไม่ระบุชื่ออุปชยัยยะในการให้การอุปสมบทไม่ระบุชื่อผู้รับในการให้ผ้ากรินเป็นต้น ไม่ตั้งยติหรือตั้งยติต่อภายหลังทิ้งอนุสาวรนาในกรรมวาจาที่มีอนุสาวนาหรือสวดไม่ครบหรือทําให้ตกหลน่นหรือสวดผิดว่าพลาดบทหรืออักขระหรือสวใดในการอันไม่สมควรเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมวาจาวิบัตินั้นการสวดดีจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสวดให้ถูกต้อง นะจะเป็นการอุปสมบทก็ต้องระบุผู้อุปสมบทระบุอุปชยัยยะอย่างนี้หรือในการรับกรถิ่นก็ต้องระบุชื่อผู้รับกรถิน่นอย่างนี้ผู้ครองกระถิน่นอย่างนี้ต้องระบุถ้าไม่ระบุนั่นคือเป็นเหตุให้เกิดกรรมวจาวิบัติใช้ไม่ได้หรือว่าอตั้งอมีการสังฆกรรมที่เกี่ยวกับการตั้งยติแต่ไม่ตั้งยติอันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือมีอนุมีอนุสาวรนาแต่ก็ไม่สวดอนุสาวรนา อันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือว่ามีทั้งยติมีทั้งอนุสาวนาแต่ว่าไปสวดอนุสาวนาขึ้นก่อนแล้วตั้งยติภายหลังอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสวดผิดพลาดอัครพยัญชนะมากเกินไปก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนั่นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจในการที่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้กรรมวาจานั้นเกิดวิบัตินี่เราก็มาศึกษาเรื่องอัครวิธี โดยย่อพอที่จะเข้าใจอัคราวิธีก็คือเกี่ยวกับเรื่องอัคระเกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะในการที่จะต้องใช้สวด น, นั้นผู้สวดกรรมวาจาควรรู้จักประเภทและฐานนกรของอัคระและต้องว่าเป็นจึงจะสามารถสวดกรรมวาจาให้ถูกต้องได้นีน่ประเภทแห่งอัคระนั้นท่านแยกประเภทแห่งอัคระไว้สิบประเภทเดียกัน คือหนึ่งสิถินแพยัญชนะออกเสียงเพลาได้แก่พยัญชนะที่หนึ่งและที่สามในวรรคทั้งห้าคือกะคะจะชะปพะปพระปะพระปะพระสองทนิดพยัญชนะออกเสียงแข็งได้แก่พยัญชนะที่สองและที่สี่ในวรรคทั้งห้าคือ ข, ขะคะอ่าชะปะพระปะพระปะพระ สามทีฆะสระที่ออกเสียงยาวได้แก่ออาี r e u a อรัศศีรัศสระที่ออกเสียงสั้นได้แก่อีอ e ู u. ห้าคารุเสียงหนักได้แก่สระที่มีพยัญชนะสังโยกเช่นนัคขมติหกลหุเสียงเบาได้แก่สระทีะ่ไม่มีพยัญชนะสังโยกเช่นณขมติ เจ็ดนิขิตอักลระที่กดเสียงนะเช่นสังขังอุปสัมปทังแปดริมุตอักขาระที่ว่าปล่อยเสียงเช่นสุนาตุเอสายตีเก้าสัมพันธ์บทเข้าสนที่เชื่อมกับบทอื่นเช่นตุนหัสะหรือตุนอัตสะ นี่ก็เป็นบทที่เชื่อมนั้นทั้งสิบอย่างนี้ก็ให้ท่องเป็นคาย่อหรือคาสันส้นๆให้แม่นนะจะได้จำได้แม่นขึ้นคือท่องสถินเสียงเพลาตนิเสียงแข็งทีฆะเสียงยาวระสะเสียงสั้นครุเสียงหนักระหุเสียงเบานี่ก็หิตโกดเสียงวิบุตปล่อยเสียงสัมพันธ์เชื่อมกับสัมพันธ์เชื่อมกับ ว, วัติตา บทแยกมีสิบบทด้วยกันอันก็ท่องเป็นอคำย่อๆให้ขึ้นใจนะสตินสตินเสียงเปล่าละสะนิทเสียงแข็งทิฆะเสียงยาวละสะเสียงสั้นครุเสียงหนักระหุเสียงเบานี่ก็เหตุกฎเสียงทิบุทปล่อยเสียงสัมพันธ์เชื่อมกับว่าวาทิตะบทแยกเอาให้ขึ้นใจให้แม่นเลยทีเดียวนะทะี่คำย่อมวิบัติเพราะว่าผิดพลาดในอักขระ คืออักขระทั้งหมดนี้ที่จะวิบัติจริงๆนั้นท่านกล่าวว่าผิด พ, พลาดในอักขระสี่คือหนึ่งว่าสถินเป็นธนิษว่าสถินเป็นธนิตเช่นสุนาตุเมเป็นสุนาถูกเมอย่างนี้หรือปัตตะกันลังเอสาหิยติว่าเป็นปัตตะกันลังเอสาหิยติสองว่าธนิษฐ เ, เป็นสถินเป็นสิถินเช่น พันเตสังา่าพันเตสังควูว่าเป็นพันเตสังโฆอย่างดีก็เรียกว่าทานิษฐ์เป็นสติมสยามว่าวิมุติเป็นนิกหิตเนี่ยวิมุติเป็นนิกขิเช่นสุนาตุเมว่าเป็นสุนันตุเมหรือเอสายัติว่าเป็นเอสาเอสังญาติเนี่ย สี่ว่านีก่ก็เหตเป็นวิมุตเช่นปัตตะกันหลังว่าเป็นปัตตะกันลาแต่ประเภททั้งสี่นี้เป็นเหตุให้เอกรรมวจาวิบัติส่วนประเภทแห่งอัคราหกสถานที่เหลือนั้นท่านว่าไม่ทําให้เสียคือว่าทีฆะเป็นรักษ์ว่ารัศว์เป็นทีฆะว่าคารุเป็นระหุว่าระหุเป็นคารุว่าสัมพันธ์เป็น ว, วัตฏิตา ว่าวัติตะเป็นสัมพันธ์ตั้งหกประการนี้ไม่ไม่เป็นเหตุให้กรรมนั้นสังฆะไม่เป็นเหตุให้กรรมาวาจาวิบัติเนะก็รวมความว่าค อ, รรอสวดว่าบทผิดพลาดไม่ถึงเสียความท่านว่าใช้ได้สวดว่าบทผิดพลาดมากจนเสียความนั้นจึงจะใช้ไม่ได้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สังฆกรรมที่เราได้ศึกษากันมาพอสมควระคระดับเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วข อ, ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรริิ์ทุกรูปที่ได้ตั้งใจศึกษามา